เาชมรมเพื่อนคุณธรรมนำทางจิตนำชีวิตนำจิตใจให้ตั้งมัน่นนำดวงตาสื่อความหมายสายสัมพันธ์นำครอบครัวร่วมสร้างสรรค์ความมั่นใจมีความหวังกำลังใจมีไวหวันมีความคิดทาง เกื่อคุณธรรมรักศักดิ์ศรีมีสุขลำต่าร่วมใจร่วมกันคิดร่วมกิจกรรมตางมีธรรมนำทางสร้างความดีมีความหวังกำลังใจมีไว้วันมีความคิดความตั้งมั่นในศักดิ์ศรีมีความรักสมักสมานสมามัคคี ให้กันทุกวันไปมีความหวังกำลังใจมิวมหววัน ไม่ปลาดเพื่อเพืออคุณธรรมเพื่อคุณธรรมรวมใจในวันนี้เพื่อคุณธรรมรับศักดิ์ศรีมีสุขลำถ้ารวมใจรวมกันคิดรวมกิจกรรมถ้ามีธรรมำนำทางสร้างความดีมีความหวังกำลังใจมีไว้วันมีความคิดความตั้งมั่น ัีมีความรักสมัครสมาน ส, สามัคคีมีความดีให้กันทุกวันไป